ตอนที่สิองานก่อสร้างบ้างและอาคารในโลกทิพย์ในโลกทิพย์ของเรานอกจากจะมีภูเขาลำนาวพลอันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วยังมีสิ่งก่อสร้างเช่นโบสถ์วิหารและตึกรามเพื่อประโยชน์ต่างๆกันอยู่อีกไม่น้อยแต่ทว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั้น มีความแตกต่างกันกับสิ่งก่อสร้างในโลกมนุษย์อยู่มากคือตึกรามและโบสถ์วิหารของเราไม่มีวันชมรุสดสุดโทมหรือคล่ำคล่าดังในโลกมนุษย์เลยวัตถุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัตถุที่ไม่มีการผุพังผิวพื้นหน้าของหินในวันเริ่มแรกของการก่อสร้างเป็นเงาสุกใสเช่นไรก็จะเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไปไม่มีขมเหไฟ ที่จะมาทําให้หมองคล้ำโศกปลกไม่มีลมและฝนที่จะมากัดให้ผูกกร่อนไปตามการเวลาและข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือวัตถุก่อสร้างเหล่านั้นเป็นวัตถุทิพจึงให้ความสวยงามชนิดที่จะเสมอเหมือนไม่ได้เลยในโลกมนุษย์ความถาวรของวัตถุขึ้นอยู่กับความต้องการของจิตอย่างไรก็ตามการที่พระเจ้ากล่าวว่า สิ่งก่อสร้างในโลกทิพย์ของเราเป็นของถาวรยั่งยืนนานตลอดไม่มีวันเก่าคล่ำคล้านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำลายสูญหายไปไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ขึ้นอยู่กับจิตใจดังนั้นหากเราเห็นพ้องต้องกันว่าตึกรามหลังใดหรือส่วนใดเป็นของเกินความจาเป็น และเราไม่มีความต้องการมันอีกต่อไปแล้วเราก็สามารถทำให้มันหายไปได้และเรื่องเช่นนี้ก็มีอยู่บ่อยๆทั้งในด้านการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นใหม่และการยุคหรือทำให้ของเก่าหายไปโลกทิพย์ไม่ใช่โลกของการหยุดนิ่งความจริงดังกล่าวแล้วแสดงว่าโลกทิพย์ไม่ใช่โลกของการหยุดนิ่ง หรือว่าชาวโลกทิพย์ไม่ต้องมีการงานทาอะไรกันเลยอันที่จริงโลกทิพย์เป็นโลกที่มีการงานทากันอย่างเข้มแข็งและเอาจริงเอาจังตลอดเวลาในโลกมนุษย์หากมีความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นก็มักจะเรียกกันว่าเพื่อเป็นความก้าวหน้าไปให้ทันกับเวลาหรือสมัยแต่ในโลกทิพย์การที่จะก้าวหน้าไปให้ทันเวลาเท่านั้น ยังไม่เป็นความเพียงพอเราจะต้องก้าวหน้าไปล่วงหน้าหรือก่อนเวลาอีกด้วยและความจําเป็นที่จะต้องก้าวหน้าไปก่อนเวลานี้อันที่จริงก็มาจากโลกมนุษย์นั่นเองข้าพเจ้าจะขอชักตัวอย่างสักข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เมื่อโลกมนุษย์คิดว่าตนเองมีความเจริญก้าวหน้าไปมากเท่าใด อุบายวิธีสําหรับใช้ประหัดประหารกันในการสงครามก็ยิ่งทวีความรุนแรงและล้างผลาญชีวิตได้คราวละมากๆขึ้นเท่านั้นในสมัยก่อนมนุษย์ฆ่ากันได้คราวละเป็นร้อยๆแต่ในสมัยนี้มนุษย์ฆ่ากันได้คราวละหมื่นหรือแสนบุคคลผู้น่าสงสารที่ต้องละจากโลกมนุษย์ได้แล้วนั้นหมายถึงผู้ที่ต้องตายในระหว่างสงคราม ในไม่ช้าชาวโลกมนุษย์ก็ลืมเขาหมดเพราะชาวโลกมนุษย์จะถือซะว่าไม่มีหน้าที่หรือความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแต่สำหรับพวกเราชาวโลกทิพย์ไม่มีใครคิดเช่นนั้นเลยเพราะเขาเหล่านั้นจะต้องมาอยู่กับเราชาวโลกมนุษย์ส่งเข้ามาอยู่กับเรายังไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นแต่เราชาวโลกทิพย์ไม่อาจทาเช่นนั้นได้ และเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องคอยดูแลเขาต่อไปในโลกทิพย์ไม่มีการโยนกลองหรือปัดความรับผิดชอบของตนไปให้แก่ผู้อื่นเลยในโลกทิพย์ทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงอย่างเคร่งครัดการล้างผลาญกันและกันเป็นการใหญ่ในโลกมนุษย์นั้นพวกเราชาวโลกทิพย์จะรู้ล่วงหน้าก่อนเสมอ และเราก็จะเตรียมตัวช่วยกันรับสถานการณ์ดังว่านั้นอย่างเต็มที่แน่นอนเหลือเกินการที่เราจะสามารถต้อนรับผู้มาใหม่เป็นจำนวนอันมากมายมหาศาลในระยะเวลาอันรวดเร็วเช่นนั้นได้ก็จำเป็นต้องมีที่อยู่ไว้พร้อมก่อนและในการนี้ก็เป็นอันว่าเราต้องก่อสร้างอาคารพักฟื้นดังกล่าวแล้วในบทที่สามให้มากขึ้นอีก จนเพียงพอแก่ความต้องการนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องมีการก่อสร้างอาคารการขึ้นใหม่ในโลกทิพย์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามยังมีเหตุประการอื่นอีกเหมือนกันเช่นบางครั้งมีความจำเป็นต้องขยายตึกเรียนให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเป็นต้นเอ็ดวินได้กล่าวว่าขณะนี้ กำลังจะมีการก่อสร้างขยายปีกหนึ่งของห้องสมุดที่ข้าพเจ้าเคยเข้าไปอ่านหนังสือนั้นให้กว้างออกไปจึงเป็นการแสดงที่ข้าพเจ้าและรู้ควรจะไปดูวิธีการก่อสร้างให้เป็นความรู้รอบตัวไว้ว่ามีความแปลกประหลาดมหัศจรรย์เพียงใดเพราะว่าการที่ได้ไปเห็นวิธีการก่อสร้างของชาวโลกทิพย์จะทาให้เราได้รับความตื่นเต้นมิใช่น้อย เราทั้งสองเห็นด้วยกับเอ็ดวินและก็เดินทางไปสู่สถานที่ที่กำลังจะมีการก่อสร้างทันทีเมื่อเราไปถึงปรากฏว่ามีผู้คนไปรออยู่แล้วเป็นอันมากโดยความประสงค์เช่นเดียวกับเราและในขณะที่กำลังรอพิธีจะเริ่มต้นนี้เอ็ดวินได้อธิบายแผนการก่อสร้างให้เราทราบคร่าวๆดังต่อไปนี้ กรรมวิธีในการก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่สักหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เป็นความลำบากยากเข็นแต่อย่างใดในชั้นแรกเมื่อได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมขึ้นใหม่พวกเราก็เริ่มไปปรึกษาท่านผู้เป็นหัวหน้าแห่งภูมิของเราเมื่อท่านผู้เป็นหัวหน้าแห่งภูมิได้ทราบความประสงค์ และเห็นว่าเป็นสิ่งสมควรเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเช่นนี้ก็จะอนุญาตให้กระทําได้แล้วท่านก็จะรายงานเรื่องนี้ต่อขึ้นไปยังผู้ที่อยู่เหนือท่านในชั้นสูงขึ้นไปอีกต่อหนึ่งต่อจากนั้นท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปก็จะรายงานให้ท่านผู้อยู่สูงขึ้นไปอีกต่อหนึ่งทราบเรื่องอีกครั้งหนึ่งโดยลาดับขั้นเช่นนี้ เรื่องการรายงานขึ้นไปตามลำดับชั้นดังกล่าวมาแล้วนี้อาจจะทำให้บางท่านนึกคาดคะเนเอาว่าคงต้องเป็นเรื่องยุ่งยากมีพิธีรีตองและเป็นการเสียเวลาที่ต้องรอคำสั่งหรือรอระเบียบแบบแผนกันยังมากมายเป็นแน่ซึ่งข้าพเจ้าขอตอบว่ามิได้เป็นเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อยจริงอยู่กระบวนการดังกล่าวมานั้น อาจจะเหมือนกันกับในโลกมนุษย์แต่เวลาที่ใช้นั้นแตกต่างกันอย่างมากมายจนเทียบกันไม่ได้ทีเดียวข้าพเจ้าขอยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวมาแล้วซึ่งในโลกมนุษย์จะต้องใช้เวลาเป็นวันวันหรือสัปดาห์หรือนานกว่านั้นในที่นี้เราใช้เวลาเพียงไม่เกินสองหรือสามนาทีเท่านั้นเองและแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการก่อสร้างได้ ขั้นต่อไปก็คือการเรียกประชุมปรึกษานายช่างสถาปนิกซึ่งข้าพเจ้าขอบอกว่าในภูมิของเรามีเป็นจำนวนมากพอท่านเหล่านี้ทำงานโดยความรู้สึกรักในงานอย่างแท้จริงเรื่องผลประโยชน์เงินทองดังเช่นในโลกมนุษย์นั้นเป็นอันไม่ต้องคำนึงถึงท่านมีความปิติยินดีที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และท่านจะร่วมมือประสานงานกันอย่างที่จะไม่มีเช่นนี้เลยในโลกมนุษย์เพราะว่าในที่นี้ไม่มีความอิจฉาริษยากันทุกท่านมีแต่คิดจะช่วยเหลือหรือทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยความบริสุทธิ์ใจขั้นต่อไปอีกก็คือเมื่อได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้เป็นหัวหน้าแห่งภูมิถึงเรื่องแผนผังหรือรูปโครงของอาคาร ที่จะทําการก่อสร้างขึ้นใหม่แล้วก็เริ่มเรียกประชุมช่างปูนผู้ชํานาญในการนี้โดยเฉพาะเพื่อบอกให้ทราบถึงรูปโครงของอาคารหลังใหม่ให้เป็นที่เข้าใจกันดีโดยทั่วกันและสําหรับนายช่างผู้ที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อสร้างก็มีเพียงเท่านี้เองช่างประเภทอื่นนอกจากนี้เช่นช่างไฟฟ้าเป็นต้นก็เป็นอันไม่ต้องกล่าวถึงกันในที่นี้ เพราะว่าเรามีแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ประจำอยู่ตลอดเวลาแล้วข้าพเจ้าใคร่ขอกล่าวนอกเรื่องไว้ในที่นี้สักเล็กน้อยว่าห้องสมุดของโลกทิพนั้นมีจํานวนหนังสือมากกว่าห้องสมุดในโลกมนุษย์มากเพราะว่านอกจากเราจะมีหนังสือดังเช่นที่มีอยู่ในโลกมนุษย์แล้วเรายังมีหนังสือที่ไม่ได้มีอยู่ในโลกมนุษย์อีกด้วยหนังสือประเภทหลังนี้ ได้แก่ประเภทที่ว่าด้วยความรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกทิพโดยเฉพาะซึ่งเขียนโดยท่านผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ซึ่งอยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเนื่องจากการก่อสร้างอาคารครั้งนี้เป็นเพียงการเพิ่มปีกของอาคารห้องสมุดที่มีอยู่แล้วแต่เดิมเท่านั้นจึงเรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นงานที่ใหญ่โตนักตัวอาคารเป็นตึกมีรูปทรงแบบสามมัน มีห้องขนาดกลางประมาณ2ถึงสห้องงานก่อสร้างในโลกทิพย์เป็นเรื่องของงานก่อสร้างด้วยพลังจิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการตระเตรียมวัสดุก่อสร้างคือเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ในการก่อสร้างแต่อย่างใดไม่มีร่างร้านไม่มีอิฐไม่มีปูนซีเมนต์และไม่มีอะไรๆ อ, อีกหลายร้อยหลายพันอย่าง ซึ่งเป็นของจําเป็นสําหรับการก่อสร้างในโลกมนุษย์ในที่นี้สิ่งที่ต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือพลังจิตที่กล้าแข็งพอที่จะนรมิตสิ่งที่ต้องการออกมาได้เท่านั้นไม่ต้องสงสัยว่าข้าพเจ้าแล้วรู้จะตื่นเต้นสักเพียงใดในการก่อสร้างแบบที่เราไม่เคยคิดฝันมาก่อนเช่นนี้ในที่สุดก็มีสัญญาณว่า งานก่อสร้างจะเริ่มลงมือได้แล้วท่านผู้ปกครองแห่งภูมิของเราสืบเท้าไปข้างหน้าประมาณสองสเก้าหันหลังให้พวกเราหันหน้าไปสู่สถานที่ว่างซึ่งกะไว้ว่าจะให้เป็นปีกหลังใหม่ต่อจากอาคารเดิมท่านพึมพพ ร, รมสวดมนต์ขอพรพระผู้เป็นเจ้าออกมาสองสาคำมีใจความว่าขอให้พระองค์ทรงช่วยประทานพร และให้ความสําเร็จในการก่อสร้างครั้งนี้ด้วยพอขาดคําวิงวานหรืออธิษฐานก็มีลําแสงอันสุบสว่างอย่างยิ่งพุ่งลงมาอย่างร่างของท่านและของนายช่างต่างๆที่เข้าแถวอยู่เบื้องหลังท่านขณะ น, นี้ในตาของผู้ดูทุกท่านซึ่งมีผู้ที่เพิ่งเคยเห็นการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นครั้งแรกอยู่มากเหมือนกัน ได้เพ่งไปจับอยู่ที่ที่ว่างดังกล่าวแล้วเป็นจุดเดียวกันและในทันใดนั่นเองเราก็ได้เห็นลำแสงอีกลำหนึ่งพุ่งออกมาจากท่านหัวหน้าและนายช่างทั้งหมดลงไปยังที่ว่างนั้นและไปรวมตัวเป็นแสงเรืองสุกสวา่างอยู่บนพื้นดินบริเวณที่จะสร้างอาคารแสงนี้ค่อยๆเพิ่มขนาดความกว้างความยาวและความสูงขึ้นโดยลาดับ แต่เราก็ยังรู้สึกว่าเป็นเพียงพลังงานแสงเท่านั้นเองคือยังไม่ถึงขั้นที่เป็นพลังวัตถุเท่าที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเดียวกันกับตัวคารหลังเดิมที่ตั้งอยู่ติดกันในขณะนี้แต่แสงนั้นก็ยังไม่ได้เป็นรูปร่างแต่อย่างใดอย่างชา้าชากลุ่มหมอกแสงดังกล่าวได้ก่อตัวสูงขึ้นสูงขึ้น จนกระทั่งสูงเท่าตัวอาคารเดิมและต่อมาเราก็ได้เห็นกลุ่มแสงนั้นกลายเป็นรูปโครงชั้นนอกพร้อมทั้งลวดลายของตัวตึกขึ้นมาทุกทีและแล้วก็รู้สึกว่าดูเหมือนจะเป็นตัวตึกขึ้นมาเลยทีเดียวในขณะนั้นบรรดานายช่างสถาปนิกก็พากันเข้าไปสำรวจดูอย่างใกล้ชิดบางท่านก็เดินหายเข้าไปภายใน ตอนนี้เอ็ดวินได้อธิบายให้ฟังว่าตึกที่เราเห็นเกิดขึ้นใหม่นี้ยังไม่ได้เป็นตึกที่แท้จริงความจริงเป็นเพียงคล้ายหุ่นหรือรูปจำลองที่มีขนาดเท่าตัวจริงมีลวดลายและสีสันวัณณะเหมือนตัวจริงแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่ใช่เป็นวัตถุที่แท้จริงถ้าจะพูดตามสำนวนชาวโลกมนุษย์ จะว่าเป็นเหมือนกับเงาของตึกหรือตึกปีศาจก็ได้งานก่อสร้างได้หยุดเพียงระยะนี้ก่อนชั่วคราวโดยบรรดานายช่างได้พากันเข้าไปเดินสำรวจดูทั้งภายนอกและภายในอย่างใกล้ชิดเพื่อจะตรวจดูว่ามีส่วนสัตว์หรือลวดลายตอนใดที่ยังบกพล่องอยู่บ้างจะได้ช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมในตอนนี้ ซึ่งเป็นขั้นที่ยังไม่เป็นวัตถุที่แท้จริงการแก้ไขเพิ่มเติมจึงทำได้ง่ายกว่าที่จะกระทำในขั้นสุดท้ายเมื่อลําแสงได้กลายเป็นวัตถุไปเสียแล้วเรารอกันอยู่พักหนึ่งก็ได้เห็นนายช่างทั้งหมดเดินออกมารายงานกับท่านหัวหน้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเป็นอันว่างานก่อสร้างขั้นสองก็เริ่มดาเนินต่อไปได้ พอมาถึงขั้นนี้ลำแสงที่พุ่งเป็นแนวดิ่งลงมายัางท่านหัวหน้าและนายช่างก่อสร้างปรากฏว่ามีความเข้มข้นและสุกสว่างยิ่งกว่าเดิมอีกมากและต่อมาอีกประมาณสองสานาทีลำแสงที่พุ่งเป็นแนวนอนออกจากท่านหัวหน้าและนายช่างก็ทวีความสุกสว่างและแรงกล้าขึ้นในทานองเดียวกันขณะนี้ พวกเราก็ได้สังเกตเห็นว่ากลุ่มหมอกแสงซึ่งเป็นรูปตึกเพียงเงาๆอยู่แต่เดิมนั้นได้เริ่มรวมตัวทวีความเข้มข้นเข้าจนชักจะมีภาวะเป็นวัตถุแข็งยิ่งขึ้นทุกทีในขณะที่กระแสะความคิดของจิตทุกดวงเพ่งตรงไปยังเงาตึกนั้นทำให้อำนาจแห่งการเดรัมิตมีพลังกล้าเพิ่มขึ้นโดยไม่ขาดสายตอนนี้เอง ที่เราได้เริ่มเห็นความสำคัญของท่านหัวหน้าของเราได้เป็นอย่างดีท่านทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้จ่ายพลังแม่เด็กที่ได้รับจากลำแสงที่พุ่งลงมาอย่างท่านให้บรรดานายช่างทั้งปวงเพราะว่าลำแสงที่เป็นแนวนอนพุ่งจากตัวท่านไปสู่นายช่างแต่ละคนเป็นลำยาวมีสีและความเข้มข้นแตกต่างกันไปแต่ละนายบรรดานายช่างทั้งหลาย ต่างพากันใช้กระแสะจิตหรือพลังสมาธิรวมกันอย่างแรงกล้าและสิ่งที่เราเห็นเป็นเงาของตึกเมื่อครู่หนึ่งที่แล้วมาก็ปรากฏเป็นวัตถุเข้มแข็งยิ่งขึ้นจนเห็นได้ชัดต่อมาอีกภาคหนึ่งรูปร่างอันได้ส่วนสัตว์สมบูรณ์ของตึกที่เป็นวัตถุแข็งจริงๆก็ปรากฏตั้งตระห ง, ง่านอยู่เบื้องหน้าพวกเราและจากนั้น ลำแสงทั้งที่พุ่งลงมาเป็นแนวดิง่งและออกไปเป็นแนวนอนก็หายไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเราที่เคยเห็นงานก่อสร้างหรือเนรมิตครั้งแรกนี้จะตื่นเต้นมหัศ จ, จรรย์ใจเพียงใดมันเป็นเรื่องที่เกือบจะคิดว่าฝันไปแท้ๆทีเดียวเราทั้งหมดที่เคยเห็นเป็นครั้งแรกกลูกันเข้าไปดูโดยใกล้ชิดยังไม่ค่อยจะเชื่อสายตาตนเอง เราเอื้อมมือไปรูปคลำไปทั่วบริเวณเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้เห็นเกิดขึ้นจากความไม่มีอะไรเลยนี้เป็นวัตถุที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงยังไม่ลวงตาและหลังจากรูปคลำแล้วรูปคลำอีกจนเกือบทั่วบริเวณในที่สุดเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นตึกที่แท้จริงเป็นตึกที่ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่ประการใดเลย จิตที่รวมกันเป็นพลังสมาธิช่างมีอำนาจมหัศ จ, จรรย์อะไรเช่นนี้การก่อสร้างบ้านส่วนตัวงานก่อสร้างบ้านส่วนตัวของบุคคลในโลกทิพมีเรื่องแตกต่างกันกันกบที่พระเจ้ากล่าวมาแล้วเพียงเล็กน้อยคือในขั้นแรกผู้เป็นเจ้าของบ้านนั้นจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ครองบ้านเช่นนั้นเสียก่อนซึ่งท้งนี้ จ่อมขึ้นอยู่กับการครองชีพหรือกรรมที่เขาได้สั่งสมไว้ในระหว่างยังอยู่ในโลกมนุษย์หรือไม่ก็ในการประกอบกรรมดีเพื่อเลื่อนภูมิชั้นของตนเองในระหว่างที่มาอยู่ในโลกทิพย์แล้วหากบุคคลใดยังไม่มีสิทธิ์ด้วยการทำความดีดังที่ได้กล่าวมานี้แล้วก็ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยสร้างบ้านให้อยู่ได้เลยมีผู้กล่าวว่ามนุษย์ สร้างบ้านทิพย์ของตนรอไว้ตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์อยู่เรื่องนี้เป็นความจริงได้โดยโวหารแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะว่าดังที่พระพเจ้าได้ ก, กล่าวมาแล้วก็คือบุกคลต้องได้ทํากรรมดีซะก่อนและกรรมดีนั้นก็ต้องถึงขนาดที่สมควรจะมีบ้านรออยู่ในโลกทิพย์ได้ต่อจากนั้นก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในทางนี้ช่วยสร้างให้อีกด้วย ในกรณีของข้าพเจ้าเองบ้านในโลกคลิปของข้าพเจ้าถูกสร้างรออยู่แล้วโดยช่างผู้ชำนาญในการนี้และโดยมีเอ็ดวินเป็นผู้คอยชี้แจงแก้ไขช่วยให้บ้านนั้นมีรูปร่างและสวดทรงตามที่ข้าพเจ้าเคยชอบเมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้ทำความดีจนสามารถเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ภูมิที่สูงกว่านี้ ข้าพเจ้าก็จะออกจากบ้านหลังปัจจุบันนี้ไปและข้าพเจ้าก็มีสิทธิ์ในการตกลงใจตามลาพังว่าจะยุบบ้านหลังนี้เสียหรือว่าจะปล่อยให้อยู่ไว้ตามเดิมเช่นนั้นแต่ข้าพเจ้าได้รับคำบอกเล่าว่าตามปกติเมื่อเจ้าของบ้านต้องการจะปล่อยให้บ้านคงอยู่เช่นนั้นก็มักจำมอบให้แก่ท่านผู้เป็นหัวหน้าในภูมิของตน เพื่อให้ท่านมอบให้กับผู้หนึ่งผู้ใดที่มาที่หลังต่อไปตามแต่ท่านจะเห็นสมควรตอนที่สิบสองการหย่อนใจและโรงมหรสพทางวิญญาณเมื่อกล่าวถึงเรื่องเครื่องหย่อนใจหรือโรงมหรสพทางวิญญาณอาจมีบางท่านรู้สึกประหลาดใจหรือถึงกับเยียดหยามดูถูกเลยก็ได้เพราะคนโดยมากคงจะคิดไปในทํานองที่ว่า เมื่อเข้ามาอยู่ในโลกทิพหรือในสวรรค์แล้วก็ไม่ควรจะมีเรื่องอื่นใดทำนอกจากนั่งพึมพรรมสวดมนต์ภาวนาไปตามเรื่องทั้งวันทั้งคืนไม่เช่นนั้นก็ดูจะไม่สมกับที่ได้มาอยู่ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าถึงขนาดนี้แล้วความคิดดังกล่าวมานี้ข้าพเจ้าขอบอกว่าเป็นเรื่องเล้ยวไหลทั้งสิน้นเพราะการที่เราไม่อยู่ในโลกทีพนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า พระผู้เป็นเจ้าจะอยู่ใกล้กับเรามากกว่ากับชาวโลกมนุษย์เลยการที่อยู่ใกล้หรือไกลกันนั้นความจริงแล้วขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเองต่างหากขอย้อนกลับมากล่าวถึงเครื่องหย่อนใจกันใหม่ชาวโลกทิพ่วนมากหย่อนใจหรืออันที่จริงก็คือเปลี่ยนอารมณ์ของตนเองด้วยการเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นใส่บ้างตามความถนัด การหย่อนใจหรือเปลี่ยนอารมณ์นี้ไม่ได้เกิดจากความเหนื่อยล้าทางกายหรือจิตใจอย่างใดเลยเพียงแต่เรารู้สึกว่าการทํางานอย่างเดียวติดต่อกันไปโดยไม่หยุดพักหรือเปลี่ยนแปลงอย่างใดเสบ้างเลยนั้นทําให้จิตใจรู้สึกว่ายังมีสิ่งบกพร่องอยู่เท่านั้นเองความจริงความสามารถในการทํางานของเรามีมากมายอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับชาวโลกมนุษย์ แต่เราก็รู้สึกว่าควรจะต้องมีเวลาที่กันเอาไว้สําหรับเปลี่ยนอารมณ์บ้างเป็นครั้งคราวเพราะในบางครั้งเราก็เปลี่ยนจากงานชนิดหนึ่งไปทํางานอีกชนิดหนึ่งได้โดยไม่ต้องเกี่ยวกับการหย่อนใจตามความหมายของชาวโลกมนุษย์แต่อย่างใดแต่ในบางคราวเราก็นึกอยากนอนเล่นอยู่กับบ้านหรือใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งเฉยๆโดยไม่ต้องทําอะไรเลย หรือในบางเวลาเราก็เปลี่ยนจากการทํางานประจํามาเป็นการศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ถูกกับพัทยาัยก็ได้แต่ก็มีเหมือนกันที่บางครั้งเราก็ไปหย่อนใจกับการเล่นกันจริงๆคล้ายๆกับชาวโลกมนุษย์เหมือนกันแต่ก็คงไม่เหมือนกันเช่นทีทเดียวจากข้อความที่กล่าวมาจะทําให้ท่านเห็นความจริงอย่างน้อยได้บ้างเป็นบางส่วนแล้วว่า การหย่อนใจของเราชาวโลกทิพย์มีความหมายก ว, ากว้างกว่าชาวโลกมนุษย์อย่างไรเพราะแม้แต่การศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งก็ถือว่าเป็นการหย่อนใจคือเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ได้แต่ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้คําว่าเปลี่ยนอารมณ์โดยเฉพาะลงไปนั้นก็เพราะว่าในบางกรณีเราก็มีการหย่อนใจกันคล้ายๆกับชาวโลกมนุษย์เหมือนกันในบางครั้ง ข้าพเจ้ากับรูทก็ชวนกันไปเที่ยวชมทัศนียภาพของเกาะกลางทะเลกันบ้างและที่ชายทะเลนี้เองก็เป็นที่ที่ชาวโลกทิพย์ชอบมาหย่อนใจกันมากโดยการเล่นแข่งเรือกันอย่างสนุกสนานข้าพเจ้าได้เคยกล่าวให้ท่านทราบมาครั้งหนึ่งแล้วในตอนที่ว่าด้วยทะเลถึงความจริงที่ว่าอำนาจจิตของเราสามารถขับเคลื่อนเรือให้แล่นไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรแต่อย่างใดจริงอยู่ความสามารถเช่นว่านี้จำต้องมีการฝึกหัดกันเป็นพิเศษบ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นของที่ยากลำบากอย่างใดงนในการฝึกหัดเพื่อทดลองผลของความสามารถดังกล่าวมาแล้วเราก็มักจะพากันมาแข่งเรือเล่นกันเป็นที่สนุกสนานหน้าที่นี้เมื่อกล่าวถึงการแข่งขัน ข้าพเจ้าก็จำต้องบอกให้ท่านทราบเสียก่อนว่าณที่นี้เราไม่มีการแข่งขันกันเพื่อเอาชนะหรือเอาเด่นเหมือนอย่างในโลกมนุษย์นอกจากนั้นเราก็ยังไม่มีการหวังรางวัลอีกด้วยเพราะไม่มีการให้รางวัลในการแข่งขันกันเลยหลังจากการแข่งขันเราก็จะได้รับคำแนะนาจากผู้ชํานาญ ถึงวิธีที่จะบังคับเรือให้ได้ผลดีขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งโรงมหระพในโลกทิพก็มีโรงมหระพที่สวยงามตั้งเด่นเป็นสง่าประดับประดาตัวเมืองอยู่เหมือนกันนอกจากว่าภายในโรงจะมีการประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามชนิดที่จะหาไม่ได้ในโลกมนุษย์แล้วภายนอกอาคารก็ยังมีสนามหญ้าและพุ่มไม้ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างประณีตบรรจงสุดที่จะบรรยายให้ท่านนึกเห็นภาพได้จริงๆตอนนี้ผู้อ่านหลายท่านคงจะนึกยิ้มหรือไม่ก็หัวเราะ อ, อยู่ในใจแล้วแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าการที่ท่านจะเชื่อหรือไม่และจะยิ้มยาะหรือไม่นั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความจริงในเรื่องนี้ได้แต่ประการใดอันที่จริงในโลกทิพนี้ ก็มีบางท่านที่ไม่เห็นชอบกับเรื่องนี้อยู่บ้างเหมือนกันคือเห็นว่าชาวโลกทิพย์ไม่ควรจะมีการเรื่อนเริงหรือมีโรงมหรสพอย่างใดท่านเหล่านี้มักเป็นผู้ที่มาถึงใหม่ๆและยังมีทัศนคติเดิมอยู่ในกรณีเช่นนี้ข้าพเจ้าก็ขอบอกว่าจะไม่มีผู้ใดบังคับหรือขืนใจให้ท่านเหล่านั้นมาเล่นหรือมาชมการแสดงด้วยเลย ท่านเหล่านั้นก็มีสิทธทิอันชอบธรรมที่จะอยู่ในสวรรค์ตามทัศนคติของท่านไปได้นานเท่านานที่ท่านพึงปรารถนาข้าพเจ้าเองก็ได้เคยพบปะกับผู้มีความเห็นดังว่านี้มาแล้วเหมือนกันแต่แล้วก็ปรากฏว่าท่านเหล่านั้นก็ทนเก็บตัวไปได้ไม่นานเท่าใดและในที่สุดก็ต้องออกมาร่วมหย่อนใจหาทางเปลี่ยนอารมณ์กับพวกเรา ด้วยความสมัครใจของท่านเองเรื่องละครที่นำมาแสดงในโรงมีลักษณะเป็นคนละประเภทกับที่แสดงอยู่ในโลกมนุษย์ณที่นี้เราไม่มีการเสนอเรื่องหวาดเสียวที่มีการรบค่าฟันกันยังโหดร้ายทารุณและเมื่อเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นเราก็มีการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆให้ไว้ด้วยบางครั้ง เราก็มีเรื่องละครตลกแสดงเหมือนกันและข้าพเจ้าก็ขอบอกว่าพวกเราชาวโลกทิพย์ยังเป็นพวกที่หัวเราะเป็นและหัวเราะได้อย่างคลื้นเคลงมากกว่าชาวโลกมนุษย์เสีอีกด้วยเราไม่ใช่พวกหน้าตายที่ยิ้มไม่เป็นเอาแต่นั่งหน้าบึง้งทำท่าทะมึงถึงอยู่ตลอดเวลาดังที่พวกชาวโลกมนุษย์ชอบกะเกณให้พวกเราเป็นช่นนั้นเลย เมื่อใดที่มีเหตุผลในการหัวเราะและไม่ใช่เป็นการหัวรเราะยะเคลยๆแล้วเราก็หัวเราะกันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวในโรงละครดังกล่าวเราได้เคยดูละครประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆด้วยความสนใจเพราะหน้าที่นี้ละครประวัติศาสตร์ที่เราได้ชมมีลักษณะหลายอย่างหลายประการซึ่งท่านจะหาชมไม่ได้เลยในโลกมนุษย์ ประการหนึ่งก็คือท่านจะได้เห็นการแสดงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่มีการบิดเบือนความจริงเพื่อหวังผลอย่างอื่นเลยเป็นอันขาดประการที่สองเราอาจได้เห็นตัวละครตัวจริงในประวัติศาสตร์มาแสดงให้ดูเลยทีเดียวทั้งนี้หมายความว่าไม่ต้องหาผู้อื่นมารับบวบาทแทนให้เสียเวลาเป็นอันว่า เราจะได้เห็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์มาแสดงบทบาทให้ดูจริงๆซึ่งเรื่องละครเช่นนี้จะเป็นความจริงถึงสองประการคือเป็นจริงทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจริงทั้งผู้แสดงอีกด้วยเรื่องนี้ผู้ที่มาถึงโลกทิพย์ใหม่ๆมักจะมีความรู้สึกพิกลเพราะความที่ยังปรับปรุงใจให้เข้ากับสภาวะอย่างใหม่ยังไม่ได้ดันเอง แต่อันที่จริงก็น่าเห็นใจเพราะการที่เราได้มาเห็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ผู้มีประวัติชีวิตกึกกล้องอยู่ในสมัยโบราณออกมาแสดงบทบาทเดิมให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งและเป็นผู้ที่มีเลือดมีเนื้อเหมือนอย่างกับยังไม่ได้สิ้นชีวิตไปเลยนั้นเป็นของที่ยากเหลือเกินที่ใครจะคิดฝันว่าจะเป็นความจริงไปได้ถึงขนาดนี้ ความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนอารมณ์หรือหย่อนใจของชาวโลกทิพย์กับชาวโลกมนุษย์ก็คือสภาพอันเป็นพื้นฐานของร่างกายแตกต่างกันมากกายทิพย์ของเราไม่มีความช้ำรุดชุดโรมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือตึงชาเป็นเหน็บแต่อย่างใดเมื่อเป็นเช่นนี้การกีฬาที่เป็นเครื่องบริหารกล้ามเนื้อก็เป็นอันหมดความจำเป็นไปโดยสิ้นเชิง นอกจากนั้นเรายังไม่มีความต้องการอากาศบริสุทธิ์เช่นในโลกมนุษย์เพราะในโลกทิพย์มีแต่อากาศอันบริสุทธิ์อยู่ทุกขนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นซอกมุมที่ลึกซึ่งส่วนไหนของบ้านหรือภูมิประเทศดังนั้นเครื่องย่อนใจหรือเปลี่ยนอารมณ์ของเราจึงมีความมุ่งหมายตรงไปที่ใจอย่างเดียวเท่านั้นความสามารถในการเล่นในโลกมนุษย์ ได้มาด้วยการฝึกหัดให้กล้ามเนื้ออยู่ภายใต้บังคับบัญชาของจิตใจโดยร่างกายก็ต้องมีสุขภาพดีอยู่ด้วยร่างทิพย์ของเรามีสุขภาพสมบูรณ์อยู่ตลอดการและกล้ามเนื้อของเราก็ขึ้นตรงต่อจิตใจโดยไม่ต้องผ่านสิ่งอื่นใดดังนั้นความสามารถในทางฝีมือเราจึงได้รับอย่างรวดเร็วผิดกว่าโลกมนุษย์มากมายเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นการหัดบรรเลงเครื่องดนตรีหัดวาดภาพระบายสีหรืออย่างอื่นๆที่ต้องใช้กล้ามเนื้อแขนและขาเป็นเครื่องช่วยดังนั้นกีฬาหลายสิบอย่างในโลกมนุษย์ก็เป็นอันหมดความหมายโดยสิ้นเชิงณที่นี้